สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ใน20กฎทองคำนำสู่ชีวิตที่ดีงามและกลมกลืนสมานฉันท์นของศาสนาจารย์ดรฟิลิปเทงซึ่งแปลโดยท่านศาสนาจารย์สุพิษวิจักโยทินขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับเรามาอยู่ในกฎข้อที่13ซึ่งเป็นกฎแห่งความสมดุลสองสาวันที่ผ่านมานี้นะครับ ผมได้พยายามอธิบายจากหนังสือของท่านและก็ได้เพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างที่คิดว่าสําคัญเพื่อที่เราจะสามารถรับรู้พระวจนะและสัจธรรมความจริงที่อยู่ในพระคิสตคัมภีร์ในเช้าวันนี้นะครับเราจะเข้ามาอยู่ในคู่ที่3คู่ที่3ของพระธรรมอิสยาบทที่11บข้อสครับโปรดฟังพรวจนะของพระเจ้าอิสยาบทที่11บข้อส พระวิญญาณของพระเจ้าจะอยู่บนท่านนั้นคือวิญญาณแห่งปัญญาและความเฉลียวฉลาดวิญญาณแห่งการวินิจฉัยและอนุภาพวิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระเจ้าพี่น้องครับการที่เราจะดำเนินพระราชกิจของพระองค์เราจะโปติรับใช้ถวายพระองค์นั้นเราจะต้องรู้และมีความสมดุลกับคู่ทั้ง3คู่นี้ก็คือ วิญญาณแห่งปัญญาและความเฉลียวฉลาดนั่นคือคู่แรกครับวิญญาณแห่งการวินิจฉัยและอนุภาพนั่นคือคู่ที่สองและวิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระเจ้านั่นคือคู่ที่สามในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาดูกันครับว่าในคู่ที่สามก็คือวิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระเจ้ามีความสมดุลเกี่ยวข้องกันยังไงพี่น้องครับคู่ที่3ามนี่คือความรู้ ความรู้นั้นท่านศาสตราจารย์ดร์ฟิลิปเทงนั้นบอกว่าเป็นความรู้หรือความคิดในส่วนของสมองผมอยากจะขยายว่าเป็นจินตนาการเป็นการรับรู้เป็นเซนส์และเป็นอะไรก็ตามที่เข้ามาอยู่ในสมองและทำให้เกิดความคิดคู่ของความรู้ก็คือความยำเกรงพระเจ้าแปลว่าการกระทาเน้นการกระทา ของชีวิตเน้นเรื่องของการดำเนินชีวิตออกมาซึ่งมันเกิดจากภายนอกเป็นการกระทาที่เราเห็นได้คนอื่นเห็นได้ด้วยเหมือนกันคู่นี้นะครับสำหรับคนที่จะมีความคิดในการรับใช้พระเจ้ามีความคิดในการทำสิ่งต่างจะต้องมีความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นการกํากับไปด้วยในตัวการกากับนี่แหละครับเราจะต้องมีความสมดุลครับ ถ้าเรามีความรู้อย่างเดียวไม่มีความยำเกรงพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือความหยิ่งยโสจองหองและคิดว่าตัวเองรู้ทั้งที่ตัวเองไม่รู้ความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นเครื่องกํากับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับเราที่จะให้เรารู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่และไม่มีสิ่งที่พระองค์ไม่รู้ที่เราเรียกว่าพระองค์นั้นสัพพันญูคือรู้หมดทุกอย่าง แลความรู้หมดทุกอย่างของพระองค์นั้นทําให้พระองค์นั้นมีสิทธิอํานาจมนุษย์เองนั้นเรามีความรู้เรามีความคิดเพราะพระเจ้านั้นสร้างเราขึ้นมาให้เราคิดได้ให้เรารับรู้ได้มีช่องทางการรับรู้อย่างน้อย5ช่องทางก็คือตาหูจมูกลิ้นและประสาทสัมผัสทางผิวหนัง ทั้ง5ประการนี้นะครับก็เป็นช่องทางทั้ง5ที่จะทำให้เรารับรู้ได้แต่ความรับรู้นั้นการรับรู้นั้นทำให้เกิดความคิดความคิดทำให้เกิดความทราบซึ้งความเข้าใจและความเข้าใจนั้นก็นำไปถึงการกระทาครับพี่น้องครับเรามาดูกันครับว่าความรู้ที่มีความคิดในส่วนของสมองนั้นมันมีรายละเอียดอะไรบ้างความจาเป็นของเรา ที่จะต้องมีวิญญาณแห่งความรู้ก็คือว่าความรู้ของเรานั้นต้องมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นบอกเกิดของความรู้พี่น้องเห็นคู่นี้ชัดเจนใช่ไหมครับความรู้ด้วยความยำเกรงพระเจ้าและในคะแนนดวกันครับเมื่อเราบอกว่าความรู้ของเรานั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นหมายความว่าความรู้ของเรานั้นก็มาจากพระเจ้า เมื่อมาเมื่อมาจากพระเจ้านั้นก็เป็นของประทานเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราสามารถที่จะทูลขอสติปัญญาทูลขอความรู้ทูลขอความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆเพื่อที่เราจะมีความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆรอบตัวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวที่เกิดขึ้นคนมากมายที่พบปะกับเราในทุกๆวันเราจะมีความรู้และ เราจะมีวิญญาณแห่งการแยกแยะซึ่งเป็นของประทานครับตรงนี้ครับในพระกัมภีร์ว่า the spirit of discernment ก็คือเป็นวิญญาณแห่งการแยกแยะครับในพระกัมภีร์ได้บันทึกโดยใช้ศัพท์ที่ว่าเป็นของประทานของการสังเกตวิญญาณเราสามารถสังเกตคนเราสามารถวิจัยคนเราสามารถที่จะเข้าใจคนและเราสามารถสังเกตวิญญาณที่อยู่เบื้องหลัง ของเรื่องราวต่างๆและคนนั่นคือวิญญาณแห่งความรู้ครับพี่น้องครับความถ่อมใจเดินนําหน้าเกียรติความถ่อมใจก็จะต้องเป็นตัวกํากับความรู้ของเราด้วยเหมือนกันและความถ่อมใจนั้นมันเกิดจากความยำเกรงพระเจ้าครับในพระคัมภีร์หนึ่งโครินต์บทที่13ได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าจะมีวันหนึ่งเราจะเห็นชัดเจน ในขณะที่ทุกวันนี้เราเห็นสลัวสลัวเหมือนดูในกระจกกระจกในสมัยโบราณนะครับมันคงไม่ได้ใสเหมือนกับในสมัยนี้แต่มันอาจจะเป็นการสะท้อนนะครับที่เรียกว่า transparency ก็คือมันโปร่งใสมันใสแต่มันคงมัวมัวอยู่บ้างพี่น้องครับในขณะนี้ความรู้ของเรานั้นก็มัวมวครับ เราไม่ชัดเจนเท่าไหร่เลยไม่แจ่มแจ้งเลยไม่ได้เป็นความรู้ที่เราจะไม่มีคําถามอีกแต่ความรู้ในปัจจุบันนี้เป็นความรู้ที่ยังไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งและยังมีคําถามแต่ท่านอาจารย์เปโรได้กล่าวไว้ใน1โครินบทที่13บอกว่ามีวันหนึ่งนั้นเราจะเห็นชัดเจนความรู้ของเราที่ไม่สมบูรณ์นั่นจะเป็นความรู้ที่สมบูรณ์เป็นความรู้ที่ไม่ต้องตั้งคําถามและไม่ต้องตอบคําถามอีก พี่น้องครับความรู้นั้นสิ่งที่จำเป็นก็คือว่าต้องมีการยำเกรงพระเจ้าหรือความยำเกรงพระเจ้ากำกับอยู่ความถ่อมใจถึงจะเกิดครับเมื่อเรารู้ว่าเราไม่รู้รู้ว่าอะไรที่เราไม่รู้และรู้ว่าอะไรที่เรารู้นั่นแหละครับจาเป็นมากในขณะที่เรารับความรู้นั้นเราต้องรับด้วยความถ่อมใจความรู้นั้นถึงจะมีผลต่อชีวิตของเรา และรู้ l i m i t a t i o n ของเราก็คือความจำกัดของเราซึ่งนำไปสู่ความถมใจพี่น้องครับเราเคยได้ยินคาว่า head heart และก็ hand คือความรู้ที่อยู่ในสมอง head และเราต้องเข้าใจมีความทราบซึ้งที่อยู่ในหัวใจของเราคือ heart และเราต้องมีการกระทำความประพฤติออกมาอยู่ที่มือของเราอยู่ที่เท้าของเรานั่นก็คือ hand และนั่นแหละครับคือ h ฮเป็นช่องทางแรกหลายครั้งทีเดียวเราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับ h ฮเพราะว่าเรามักจะเน้นเรื่อง h a r ์กับแ a n d แต่ในวันนี้เราจะมาดูเรื่องของ h ฮก็คือว่าเป็นช่องทางแรกครับที่จะนำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นข้อมูลเป็น Data เป็น Information เพื่อที่จะเข้าใจ Analyze วิเคราะห์สังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ๆเติบโต ติดต่อสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆเราสามารถที่จะใช้ช่องทางแรกให้ดีให้ถูกเช่นการฟังนะครับการฟังสำคัญที่สุดครับการฟังสายตาการเห็นนะครับและการฝึกฝนด้วยมือประสาทสัมผัสของเรานั่นแหละครับคือช่องทางที่จะนำความรู้เข้าสู่สมองแล้วเกิดความคิดเกิดการรับรู้ พี่น้องครับคำว่าการรับรู้นั้นก็คือคำว่า Sense คือ S e N S E Sense ตัวนี้ครับก็คือมันเป็นช่องทางแรกที่จะนำความรู้ต่างๆนั้นเข้าสู่สมองพี่น้องเคยได้ยินไหมครับว่าคำว่า common sense ก็คือสามัญสำนึก is not common common sense is not common แปลว่าสามัญสำนึกนั้นไม่ใช่ เป็นสิ่งสามัญ น, นั่นหมายความว่าการที่คนเรานั้นจะมีเซนส์บางอย่างที่จะรับรู้เรื่องราวบางอย่างแต่ว่าทุกๆคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกันครับการรับรู้อะไรบางอย่างของคนบางคนอาจจะแตกต่างกันนั่นเป็นที่มาของควาว่า common sense is not common สิ่งที่คนทั่วๆไปสิ่งที่คนส่วนใหญ่รู้นะครับรู้แต่เขาไม่รู้เช่น วิธีปฏิบัติที่คนส่วนใหญ่ยอมรับกันแต่คนพวกนี้เป็นพวกไม่ยอมรับไม่อยู่ใน norm nor norm NOR ก็คือว่าเป็น normal คือเป็นสิ่งต่างที่คนยอมรับกันแต่เขาอยู่นอกนะครับอยู่นอกอร์มก็คืออยู่ในส่วนที่เกินไปครับนะครับเกินไปหรืออาจจะไม่เต็มนั่นคือคนประเภทหนึ่ง เรามักจะใช้ว่า common sense is not common พี่น้องครับความยำเกรงพระเจ้าเป็นคู่ของความรู้และความยำเกรงพระเจ้านํามาซึ่งการถวายชีวิตการยอมรับเหมือนกับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่29่สบข้อยีกครับบอกว่าสิ่งที่ลีลับเป็นของพระเจ้าสิ่งที่ทรงเปิดเผยสาแดงนั้นเป็นของพวกเราสิ่งลีลับนั้นเป็นของพระเจ้าครับเราไม่ต้องไปรู้อะไร มากกว่านี้ที่พระเจ้าจะเปิดเผยนั่นคือสิ่งที่เปิดเผยนั้นเป็นของเราสิ่งที่เปิดเผยนั้นก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยไว้อยู่ในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าให้เราค้นดูในพระคัมภีร์ทําความเข้าใจกับพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์ทุกวันทุกวันคิดพิจารณาและทําความเข้าใจกับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งจะทําให้เราเติบโตในความรู้ในเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้า สิ่งที่ลี้ลับสิ่งที่เป็นศิยศาสตร์สิ่งที่เป็นเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยกับเรานั้นเราก็อย่าไปรู้ไม่ต้องการรู้อย่าไปรับรู้ครับเพราะบางคนนั้นแสวงหาสิ่งลี้ลับที่เรียกว่ามิติกก็ก้าวเข้าไปนะครับอยู่ภายใต้การหลอกลวงการชักนาของมารซาตานไปเสียก็ทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่า เสียของไปครับคนดีๆหลายหลายคนคนที่รักพระเจ้าหลายๆคนก็อาจจะเสียของไปนั่นคือสิ่งที่ผมได้รับบทเรียนจากการรับใช้พระเจ้าในองค์กรต่างๆขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเสริมกำลังพวกเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะกลับมาอยู่ในความเป็นจริงศัจธรรมแห่งพระวจนะของพระเจ้าอย่าหลีกลี้หนีห่างจากพระวจนะของพระเจ้าเลยครับ มันจะทำให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ในความสุ่มเสี่ยงอยู่ในความหยิ่งยโสอยู่ในการยกตัวเองและในที่สุดนั้นก็เป็นเครื่องมือของมารซาตานทำให้คนอื่นๆหลงผิดอีกมากมายของพระเจ้าโน้มนำด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นำมาซึ่งความต่อมใจนำมาซึ่งความรู้และความยำเกรงพระเจ้าอามน